เอภรมพระเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2 5 0 9ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนการมาบวชในพระศาสนา คือการมาตั้งหลักฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วๆไปเพราะการตั้งหลัก ของิดใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดทีทวนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่ ที่จะทําให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจแก่การประพฤติของตัวการวางรากฐาน จิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเนนก็ตามจะเป็นขีหรือตาประขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้น เป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปโดยไม่ต้องสงสัย แม่ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคารวาสก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจ มีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวช ด, ด้วยกันจะ ควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณา เมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ต่ า, ตามจะเป็นความประพฤติออกมาทางกายวะและวาจาก็ต่างจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่คีิสบอกไว้ ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นคารวาจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระหวังในสิ่งที่ตนจะประพฤต ไม่ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะองตึในเอียบ ท, ทั้งสี่เป็นผู้เต็มไปด้วยความสั้งรวมระหวังและในขณะเดียวกันเรียบททั้งสี่จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความทั้งรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรก เข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นัน้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจําอดยาบทะจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็าตาม จะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตอนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นครวาดเมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติ ดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ยอมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกันยอมมีการยับยั้งในสิ่งที่จะควรยับยัง้งมีการกั้นกลางห่วงห้ามตนเอง ไม่ให้ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรทำจะมีการเร่งตัวเองในหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบตามธรรมะกลายเป็นพลเมืองดีไปทุกทุกระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ ในข้าหนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยัง้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนขันหรือเกิดความโลดผลจนเกินตัวไปหลักธรรมะ สามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก่อน ทางฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราปืน่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมมิในที่ท่าน สอนไว้ก็ต่ า, ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมนี้ไหนจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทน ให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความรุงเฟอเหว่ห์ซึ่งเ ค, เคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามท่าตามขันจนไม่รู้จักประมาณในการ กินการยูการช้าการสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยัง้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเพื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมคืนเป็นอันเดียวกันแล้ว ผู do, do? No for us for us ้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นแก้วอำนาจเพื่อจะฉุดากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีทำก็ดีคือฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดี จึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นเป็นแนวทางที่จะ กระพือออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยัง้งเป็นเครื่องยุติแล้วจะไม่มีอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่และครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างถุนถันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอานาจแห่งคติที่ตนเห็นและด้วยอานาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างๆเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้น ระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำหนึ่งถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหาหรือซึ่งกันและกันอืม พระไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติการลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไร คืออย่างไรเช่นสองบวกสองเป็นเท่าไหรนี่สิ่งที่จะรับรองสองบวกสองโดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็นสี่นี่จะไม่ผิดจากสี่นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรอง ในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลักสองบวกสองเป็นสี่แล้วนั่นแลจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นปกเจงใจเพราะหลักการบวชบวก ว่าสองบวกสองเป็นสีน่นี่เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนไหนและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวันละแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือคือหลักที่หลักที่ถูกต้อง ได้แก่สองบวกสองต้องเป็นสี่ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะข้องใจถ้า ต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่าสองบวกสองเป็นสีน่นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกเดินทางมาเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะ ของสองบวกสองต้องเป็นสี่นี่ทั้งนั้นนี่จนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกัน น, นี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นยากข้อลงในสองบวกสองเป็นสี่ขั้นกลางก็เทียบกับว่าห้าบวกห้าเป็นสิบ จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้นสิบบวกสิบต้องเป็นยี่สิบละเอียดเข้าไปเท่าไรจนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้จะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมุติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้ นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองหรือสงบสบเงียบ อ, อยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกัน ถ้าผิดจากหลักสองบวกสองเป็นสี่นี่แล้วคู่พรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันบ้าเพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาใ จ, ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้อง โลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทํากันไปทั้งๆที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่จำเป็นแต่จำเป็นในหลักที่ถูกต้องสำหรับต่าง ก็ประคฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักนั้นพูดก็ให้ถูกตามหลักนั้นตามหลักสองบวกสองเป็นสี่การกระทาก็ให้ถูกตามหลักของสองบวกสองเป็นสี่การคิดภายในใจก็ทาหนึ่งตัวเสมอว่าต้องให้ถูกกับหลักสองบวกสองเป็นสี่นี่นะี่แหละหลักปกครองโลกปกครองธรรมเทียบกันได้กับหลัก การบวกเป็นโลกก็จเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำานึงว่า ต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขกันถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สําเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอก รับความเดือดร้อนตามมกันหมดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละค น, นหลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่น น, นี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจ พยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าปรับไม่ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็ แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอริยาบทใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่าสองบกสองไม่ใช่สี่แต่กลายเป็นห้าไปวันยังคำนี่นี่ห ล, หลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่ตอตนเองผู้เป็นคารวาสก็มี หลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถ า, านที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับสองบวกสองกลายเป็นห้าไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันยังคำ่ำ ฝืนบวกไปเท่าไหรก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเลิกผิดไปตั้งแต่ตนนะคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องตนนะ้น้ะกับผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตนเองไม่ได้เช่นเดียวกับสองบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบห้าไปอย่างนี้สิบบวกสิบเป็นสามสิบไปอย่างนี้ผิดไปวันย่างำํำ ผลลัที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในธรรนองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกโลกขวางโลกขวา ง, วางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามหลักสองบวกสองเป็นสี่ 4, นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้อง ไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถา น, น, ถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรชะลอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมนาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจากสามสี่ประการนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสาคัญ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรและควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมาย ต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรือนไม่ว่าจะพฤษประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศของพระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประครับประครองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆ ย่อไม่พลาดไม่เห็นเวร่มเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันเช่นถือการปรพุพฤติเป็นหลักสำคัญสาหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเหตุนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้น ไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเจยดคลานก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากลว้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกิดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเอง ขอให้ทุกท่านตรวได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นฆราวาสเหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทําให้ร่มจม เียหายปลปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็คลอยให้เป็นอันตรายคิดหายปลปีไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้น <c ười> คือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความพุ้งทันเอาแต่ตามใจเอาเ ว, เวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำหนึ่งถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงมางนีมีอาการปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโตรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่อย่าให้ความอยากความทะเยอทยานเครอบงำ ม, มากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงแนะนำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประธานไว้นี้จะสอนพวกทิ่นกิเลสแล้วหาไม่ ร้วนแน่ตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโงกขเขลาเบาปัญญาอย่างท่านๆเราๆเนี่ยเราจึงในอาศัยเข็มทิศนี่แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราไปอยู่ในธรรมะเยาวเดเือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพสมบัติก็ให้รู้จักประมาท ไม่รุ้ยซู่ร่ยรายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้สอบแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิด นี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้าตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิผาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั้นเลยถ้าเทน้ำลงใส่ลงใ ส, งใสก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเลยลสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รั่วแล้วจะไม่มีที่เก็บ มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านก็คิบหายไปหมดเพราะอำนาจเองใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่หละมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำหนึ่งเอาความอยากเป็นประมาณนีเสียของการประพฤติดเกี่ยวกับเรื่อง อะไรก็ไม่คำหนึ่งถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังคำคืนยังลุกทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณนจนคิดหายป่วนปีไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ไนานเพราะจิตลมจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมด ไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปรดพากันพิจารณาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสามนับเพศให้พากันพิจารณาอยัง น, นอยญาเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางอยากกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้นถ้าผู้ เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆ น, น้อยๆก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างนั้นนอกจากจะถูกตัดลอนลงไปและจะค่ยด้อยลงไปด้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างพระพุเทธเจ้าและสาวกเป็นต้นท่านที่ประธานพระาศาสนาวาย น, นี้เดิมท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพวกเราไม่มีอะไรผิดแปกกันเลย แต่เพราะอาศัยแนวทางดำเนินซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องตามในที่กล่าวแล้วว่าสองบกสองเป็นสี่นี่แหละเป็นเครื่องหนูนให้ดีขึ้นเป็นลำลำนถูกต้องไปตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นหลักของโลกพระพุทธเจ้าเป็นหลักของโลกธรรมะที่แสดงออกไว้ทุกบททุกบทกลายเป็นหัวใจของโลกไปหมดเนื่องจากหลักเบื้องต้นถูกต้อง คือความประพฤติเป็นเหตุสาคัญหรือเป็นเป็นติดสําคัญเนี่ยโลกถือหลักเหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องปกครองกันธรรมะฝ่ายผู้ปฏิบัติในศาสนายิ่งถือเป็นสําคัญมากในหลักเหตุกับผลนี้ถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วไม่มีความหมายสําหรับพระผู้ปฏิบัติเรา แยกออกไปข้างนอกชาวพุทธหรือพุทธบริษัทก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าความประพฤติให้ผิดจากหลักที่เกา่จาจับปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได้เอาหลักที่ถูกต้องไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยุติกันแต่เอาด้วยทิฏฐิมานะ ต่างคนต่างดันกันไปถู ก, กันมาสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาดกันไม่เป็นประโยชน์อะไรหาหลักที่จะได้มามันไม่มีแล้วเรื่องกลายเป็นเรื่องเด็กไปเด็กพอเจอกันเข้าไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันทั้งๆแล้วไม่ได้คำนึงถึงหลักเหตุผลว่าใครถูกใครผิดนี่แล้วก็ชวนกันต่อยอะไรเด็กเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้ว คอยแตจะค่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามาทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆเราเนี่ยพอดื่มสุราลางไปพอสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั้นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเยจะเป็นคนดีแสนดีก็าตามพอดื่มทุราลางไปแล้วมันมีท่ามีมทางขึ้นมาทันทีเไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮอะไรก็ดีกับคนบ้านนั้นน่ะมั่ คนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเอาความอวดมั่งกวดมีก็อยู่นั่นความอยู่ยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีเป็นหมดความรู้ความถนาดอานาจปัถนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้นนั่นมาดูดูสิอันทําคนให้ดีเมื่อไหร่ทั้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนละมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไง เกินไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี้ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี้ก็คนบ้าไปทางนั้นก็คนบ้ามองไปทั้งหน้าก็มีแต่คนบ้ามองมาท้างหลังนีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่จะริดได้ยังไงครับพีนี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้าง ทั้งโลกนี่ลองดื่มทุรากันไปทั้งทั้งโลกดูสิโลกนี่กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีอี่ว่าเนี่ยก็เหมือน ก, นกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลําบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันอ่านี่ โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อลรังจนมีความเคยชินภายจิตใจแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามางม้าก็เป็นบ้าให้ทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมลยามาันประมาณะมันเป็นฐานะ คือพี่ตั้งอย่างความประมาทเพียงจินห้าเราก็เห็นคุณแล้วคนที่มีจินห้าแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้แหละหลอกรู้แล้วไหนจินห้าจะไม่ดียังไงเม่อเป็นเช่นนั้นโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความมันทู่มีสินสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาร่วงลำ้ำต่างคนก็ต่างสงวนงทังตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็น นีอ่อาทินาก็ไม่เที่ยวฉกเทวลักของกันนี่ถ้าต่างคนต่างก็เบียดเดียนข้ากันวันยังค่ำคืนยังนุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามศีลข้อตนเป็นเครื่องห้ามมองเห็นการมีแตัจกัดจะขี่กันจินทั้งนั้นและจะอยู่ได้งไงหรโลก น, น, นี้สมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมด ยือยย้อแย่งทั้งนู่ยื้อแย่งทั้งนี้ฉกนั่งลักทั้งนี้อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันจเจริญหนามันเป็นโทษหรือเป็นขุนแง่การเมย์กับมันกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าขัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นฮะเอาอย่างซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเอาอย่างอำนาจมรนาเอาอย่างความอยากมันตามมืดตามหมัวบังคับเนี่ยนะดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มี ศีนข้อกรรมเมเป็นเครื่องบังคับไว้มุสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมุสาเพียงคําเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศินเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตดความจริงนี่คุณของศีลเป็นหนึงสุราก็ได้อธิบายสองอย่างนั้นเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้แล้วเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นม้าเหมือนเขาเขาเกินไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลชินห้าขาจากตัวแล้วยิ่งร้ากว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระ ว, วังพิจารณาพิจารณานี่เพื่อจะนําไปปฏิบัติทู่ที่ ดูโลกก็มีอยู่ทำตนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนผู้ทนกับพืชปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็รีประทางทางหนึ่งผู้ที่มีความจําเป็นที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนให้เพศที่ควรเปลีป่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นนี้เราจะต้องในปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศชราวาก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลัก ของคารวาสธรรมนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่โดยสรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทําความลำบากให้แกเราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่หนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นฆ่าศึกต่อเรานอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้นําสิ่งเหล่านี้ ที่เราได้ศึกษาอารมณ์แได้ไดัดแปลงตนเองนี้ไปเป็นเครื่องมือดัดแปลงตนเอง ท, งทั้งติดความเป็นพระอยู่หรือเป็นฆราวาสให้มีคือมีแปรปุ่นยังไงให้มีเขตมีแดนมีการนับยั้งช่างตัวเองในกิจที่ควรไม่ควรและจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหลักธรรมโลกกับธรรมอาถัยกันอย่างนี้ ปกครองกันด้วยธรรมปกครองตนด้วยธรรมถ้าขาดทําแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองกันไปไม่ได้ไม่มีใครจะฟังเสียงกันอใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีรรดต่างคนต่างดีมันก็ชกกันทะนะเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทําไมมันตายเอดีทําไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันออืดูสินั่น ต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องคำ้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกทำผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฟังเสียงธรรมะฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็ สะดวกกายสบายใจรุ่นเริงบันเถึงมีอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญนี่อธิบายยอ่ยอๆการทำทั้งหลายได้นำไปพินิษพิจารณาว่าธรรมมีความจําเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่แค่ไหนขอให้นำไปนี้พิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มคิดทางเดินแห่งธรรมะ ถ้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะยึ่งขอุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้